เชิดาเอ่ยขึ้นเสียงรื้ยิ้มกา้กานมองโรคในงแง่ร้ายเหลือเกินนะไม่น่าล่ะเป็นเพสท์มีดอย่างนี้นี่เองถึงได้หลีกรีดหนีหน้ามนุษย์มาสมาคมกบหาอยู่กับสัตว์ป่าแบบนี้ดารินติงช้ำเบองหางตาคมผัานใบหน้าเขาที่พูดเมื่อกี้นี้นะ่ะเกือบจะเป็นปัชญาทีเดียวผู้กองชัยยันว่าแล้วหันไปตบแขนสหายของเขาไงเชิดา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 ผมจะให้บุญคำกับจันนำแทนชั่วคราวก่อนปวดอย่าเป็นห่วงเดี๋ยวพบกันว่าแล้วก็สาวเท้าพระแยกเข้าริมทางหายลับไปอย่างรวดเร็วราวกับเงาผีทั้งหมดเริ่มเคลื่อนขบวนต่อไปโดยตามบุญคำและจันผู้หาของไปเบื้องหน้าพักใหญ่ต่อมาก็ได้ยินเสียงลูกซองระเบิดขึ้นนัดหนึ่งและมีเสียงข้างร้องคิกครอกแตกตื่นยอดไม้ไหวคลื่นอยู่ชั่วคู่จึงเงียบหายไปได้เนื้อสดแน่เย็นนี้ถ้าไม่หมูป่าก็กวาง ชายยันร้องออกมาอย่างดีใจเฮ้กวางที่มันโจรอยู่ตามยอดไม้น่ะสิพนันเอาอะไรกันก็ได้ดาลินทำเสียงขึ้นจมูกยิ่งดีใหญ่ใครไม่กินก็อยากกินแต่อย่ามาขัดเชิญเถอดยะเชิญตามสบายถึงขัดยังไงมันก็สายเพราะมิสเตอร์นั่นซัดลงมาเสร็จแล้วไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกคนเห็นรพินยืนดักคอยอยู่เบื้องหน้าระหว่างซุ้มกอภยัย เบื้องหน้าแทบเท้าเขามีสัตว์อะไรชนิดหนึ่งสีแดงๆกองอยู่พอใกล้เข้ามาจึงเห็นว่ามันเป็นเก้งหนุ่มตัวหนึ่งทุกคนร้องออกมาด้วยความยินดียกเว้นดาลินคนเดียวที่หน้าเจือนเพราะถ่ายผิดนิเศษจริงผู้กองน้อยพนันกับผมว่าคุณลอกข้างเข้าให้แล้วก็กำลังจะเอาข้างอยู่เหมือนกันแหละครับพอดีเจ้าหนี้พูดพาดออกมาจากกอผายตัดหน้าให้เห็นเสียก่อนเขาตอบเรียเร้ยว แล้วสั่งให้เกิดกับเสยเอาเทาวันมัดขาทั้งสี่ด้านหามไปพร้อมกับสัมภาระด้วยซึ่งเจ้าสัตว์ย่อมย่อมตัวนั้นไม่ได้เพิ่มน้ำหนักอะไรให้มากนะักเก่งก็ดีตัวกำลังเหมาะสำหรับหนึ่งมือยังเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าเป็นสัตว์ใหญ่เราจะต้องทิ้งเนื้ออย่างน่าเสียดายหัวหน้าคณะกล่าวชายยันสกิดแขนพรานใหญ่ถ้าผมเป็นคุณผมไม่ยักเอาเก่งแต่จะเอาข้างทาไมหรือครับ จะได้ไม่มีใครคนหนึ่งมาแย่งกินด้วยยังไงละ่ะจอมพรานหันมามองนักมนุษย์หญ้าสาวที่ยืนเฉยอยู่ยิ้มให้และตอบแทนให้ด้วยน้ําเสียงอันห่อนโยนว่าคงไม่หรอกครับคุณหญิงสัญญากับพวกเราทุกคนไว้แล้วว่าออกเดินทางจากรมช้างเมื่อไหร่เธอจะทานทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทานกันอย่างนั้นใช่ไหมครับประโยคหลังเขาหันไปถามหล่อนฝืนยิ้ม ขอบใจมากที่อุตส่าห์มาเป็นพวกฉันเป็นครั้งแรกอย่าไปคบนะกับชา ย, ยันนะ่ะเป็นคนนิสัยไม่ดีอ้าวเสียคนอีกแล้วสินราวว่าชายยันร้องด้านออกมาถามจริงๆเถอะเธอพิสมัยอยากกินมันมากนักหรือข้างนะ่ะดารินถามก็<อ> ถ, มถ้าได้ก็ดีไม่ได้กินมานานแล้วแม่เจ้าประคุณคอยขัดคอว้่เรื่อยเอาละเธอจะได้กินแน่แบบไปเองนะ แล้วก็ถลกหนังทำเองด้วยอย่าให้ลำบากคนอื่นๆเขาฉันยกให้เธอคนเดียวทั้งตัวเลยกล่าวจบหญิงสาวก็ปลดไรเฟิลออกจากไหลยกขึ้นประทับบ่าช้าๆเล็งด้วยศูนย์กล้องไปยังยอดไม้สูงลิฟห่างออกไปทางหนึ่งอึดใจเดียวก่อนที่ใครจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจุด 3. สามนยแมกนัมในมือของ่อนกระเบิ่อขึ้นกึกก้องพอสิ้นกงวานเสียงต่างก็ได้ยินอะไรเชนิดหนึ่งร่วงลงมาจากยอดไม้ต้นนั้น เสียงละลงมาตามกิ่งไม้เบื้องตามปะทะลมอู้แล้วก็กระทบพื้นดังพลักได้ยินมาอย่างถนัดดาลินรถปืนลงไปหล่อนพูดกระแทกเสียงหนักๆในํำคอพยักหน้ากับเพื่อนชายไปเก็บมาแล้วก็เชิญสวาปามเข้าไปเสียให้สมกับที่ค่ําควรร่ำร้องนักสอยลงมาให้แล้วชยยันอ้ปาปากค้างเสียงดาลินตหวาดไล่ามาอีกให้ไปเก็บข้างพร้อมกับเดินเข้ามาผลักใส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 ใช้ให้ไปเก็บทำไมถึงไม่ไปเก็บหล่อนตาวาดเบาๆแล้วหัวเราะหึ่คุณหญิงตาดีจริงๆครับผมยังไม่เห็นเลยว่ามันนั่งแอบอยู่บนยอดกะเลียงนั่นอีกตัวหนึ่งนึกว่าหนีไปหมดแล้วพลานใหญ่กล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆก็เห็นมันโผล่หน้าออกมามองนี่สิทีแรกก็นึกว่าใบไม้เหมือนกันแต่พอเข้าสู่กล้องจึงเห็นถนดัดออนั่นตาเสยกับตาเกิดจัดแจงเอาเลืองผสมเล่าอีกแล้วหรือ โทษนายหญิงครับของดีแทๆ้ๆเกิดอ้าปากวิร้อแหะชายยันแย่งขวดไปลินลงขันพลา ส, สติกแล้วยกขึ้นดื่มพลางแจกจ่ายไปให้เชษดถาซึ่งรับไปอย่างกระตือรือร้นดาลินเบ์ปากหันหน้าไปทางอื่นเสียอย่างสะอิดสะเอียนเหมือนมนุษย์สมัยหินหลอนบนเก้งตัวหนึ่งสมทบด้วยข้าอีกตัวหนึ่งอนาคตของคณะทั้ง10ก็สุสายแล้วสาหรับอาหารเย็นนั้น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 ร้องถามไปพร้อมกับเงยหน้าขึ้นโดยเร็วสถายของเขาซุดตัวลงใช้มือตะ ก, กุยกวาดกองใบไม้อย่างรวดเร็วแล้วหยิบอะไรช น, นิดหนึ่งขึ้นมาชูให้ทุกคนเห็นมันเป็นกิ่งไม้ท่อนหนึ่งยาวประมาณคืบเศษปลายด้านหนึ่งถูกไฟกินไว้ดำเป็นฐานลักษณะเป็นฟืนที่ใช้ก่อไฟผู้ที่กระโจนพูดก็ไปถึงเป็นคนแรกก็คือระพินต่อมาก็เชดาและดาลิน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 ถ้าจะให้ผมกะ ก, ก็รู้สึกว่าไม่เกินสองปีเป็นอย่างสูงช่วยกันค้น ร, รอบๆบริเวณนี้เถอะเราน่าจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกเชษฐากล่าวดยวอย่างร้อนใจทั้งสี่คนแยกย้ายกันออกเดินตรวจค้นหาร่องรอยเพิ่มเติมในทันทีนั้นเชษฐาชา ย, ยาันและดาลินผู้อิดโรยอ่อนเพียเต็มที่และต้องการพักในทันทีที่ปวดสัมภาระลงบัดนี้ความตื่นเต้นกระตือรือร้นแทบจะทำให้ลืมเหนื่อยหมดสิน้น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 อาจมีพวกชาวป่าอื่นๆผ่านมาก็ได้โดยที่พวกกล่มช้างไม่รู้เพราะถึงอย่างไรบริเวณนี้มันก็ยังไม่เคยไม่เป็นเขตป่อเส้นเดินทางของคนเสียทีเดียวมันเป็นเพียงแค่ชายดงของนรกดําเท่านั้นพรนใหญ่ไม่มีความเห็นอะไรจะให้เราได้บ้างเลยหรือคะดาลินเอ่ยอย่างกังวลแล้วกวาดตามองหาระพินครั้นแล้วทั้งสามก็เห็นจอมพานเดินตรงเข้ามาโดยเร็วสีหน้าและแววตาขรึมสงบ อันเป็นบุคลิคเดิมๆอย่างที่เคยเห็นอยู่เป็นประจำชนิดอ่านอะไรไม่ออกพอเข้ามาถึงใบหน้ากล้านเกรียมนั้นก็ปรากฏรอยยิ้มน้อยๆสงสัยแต่แรกก็ไม่ผิดไปหรอกครับหมายความว่ายัางไงเชษฐากับชายยานถามออกมาโดยเร็วพร้อมกันจ้องเขากะหมิงเราได้หลักฐานการพักครั้งแรกของคุณชายนุชาแล้วคือที่นี่เองฟุกหรือเกินส่วนที่แง่ทายบอกว่าพบที่ลําห้วยตรงเขาหัวแรง้ง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 เขาก็แบะมือที่กำไว้อีกข้างหนึ่งออกไปแช่ถารับสิ่งนั้นไปดูด้วยหัวใจอันเต้นแรงพึมพำออกมาว่าจุดสี่ห้าูนในโตเอ็กซ์เพรสแล้วเมมรีวิปป่าไปเส้นตรงเงยหน้าขึ้นชดประชากรใช้ปืนขนาดนี้ประจำมือหรืออันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับเพราะผมมีโอกาสได้เห็นปืนของคุณชด หรือคุณชายนุชาที่เราพบกันที่โป่งกระทิงอย่างเช่นที่บอกแล้วในตอนต้นผมยังขอดูปืนของแกเลยเป็นดับเบิลบาเรนแฟดคู่ขนานของริกบี้ส่วนของนานอินผ่านพื้นเมืองราวทรงที่ไปด้วยใช้ลูกสองแฟดเบอร์12ดามัสกัสรุ่นเก่าพบปลอกกระสุนนัดนี้ที่ไหนก็ใกล้ๆ ก, กับโคนต้นไม้ต้นนั้นแหละครับปอกปืนพบก่อนซองบรีด้วยซ้บาบังเอิญเดินไปเหยียบ ขอบท้ายปลอกเข้ามันดีดตัวกระเด็นขึ้นมาบนหลังเท้าจึงเห็นไม่มีปัญหาแล้วเชษดาชายันกระซิบแล้วความเงียบก็ปกคุมบุคคลทั้งสี่ซึ่งยืนรอมวงประจันหน้าแลตากันนิ่งอยู่ต่อมาเชษทาก็เอ่ยว่าคุณคิดว่าจะมีปลอกกระสุนให้เราค้นพบมากกว่านัดนี้บ้างไหมนั่นเป็นคำถามอย่างหวาดระแวงด้วยความรอบคอบตามนิสัยซึ่งระพินก็เข้าใจความหมาย ผมตรวจโดยถี่ท่วนที่สุดแล้วครับเชื่อว่ามีปลอกเดียวตกอยู่และปลกกระสุนลูกซองอันควรจะเป็นของนานอินก็ไม่ปรากฏว่าจะหล่นให้เห็นแสดงว่าคุณชายอนุชาคงจะลั่นปืนขึ้นนัดเดียวเพื่อหาอาหารมากกว่าจะมีเหตุฉุกเ ฉ, ฉินใดๆขึ้นั้งงั้นก็คงล่อหมูป่าขนาดใหญ่แล้วก็ย่างไฟนั่งหม่นกับนานอินสองคนอยู่ตรงนี้แหละที่ซ่อมหินนอนเราพบกระดูก ข, ขาหมูป่าอยู่ท่อนหนึ่งชายยันว่า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 หล่อนกระซิปเตือนให้พี่ชายและเพื่อนกินเกลือเปล่าๆคนและหยิบมือใหญ่ๆเพื่อทดแทนให้แก่เหงื่ออันมากมายที่เสียไปกาแฟต้มทั้งการสเข้มข้นเป็นสิ่งล้างคอของคณะทุกคนหลังอาหารจากนั้นก็เตรียมเข้านอนท่ามกลางอากาศอันทวีความหนาวเย็นห้วบาพลรงอย่างรวดเร็วการนอนแบ่งออกเป็นสองพวกคณะในจ้างสามคนภายใต้แบงเกตใหญ่พืนเดียวกันหันศีรษะไปทางผนังหินดารินเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลาง สุดขวาชิดกับชายยันเป็นที่นอนของพรพรานใหญ่ระพินสุดซ้ายชิดเชิฐถาแง่าซายนอนกันด้านปลายเทา้าพรานพื้นเมืองสี่คนและขยินอีกคนหนึ่งรวมเป็นห้านอนกันในลักษณะของรัศมีวงกลมศีรษะทั้งหหันเข้าชนกันปลายเท้าชี้ออกไปทางแนวป่าทุกทิศไฟกองใหญ่เพียงกองเดียวกอดไว้ทางด้านปลายเท้าของคณะนายจ้างตะเกียงรั้วตั้งอยู่ทางด้านศีรษะ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 เชื่อแน่ว่าคงไม่มีอะไรก้ามกายเข้ามาได้หมายถึงกิ่งไม้แห้งที่สะไว้รอบด้านนั่นกำมังแล้วผินทดกรองไฟฉายไปจำมือของขาวทางตอบว่ากิ่งไม้แห้งนั่นจะเป็นแต่เพียงแค่ยามระวังเหตุด้วยเราเท่านั้นมันไม่สําคัญเท่ากับน้าํายาฆ่าแมลงที่ผมหยดเอาไว้รอบๆกลิ่นมันแรงมากมันจะเป็นเกราะป้องกันเราอย่างดีที่สุดสัตว์ป่าทุกชนิดโชยกลิ่นน้ํายาชนิดนี้เข้าจะไม่มีวันย่างกลเข้ามาใกล้เป็นอันขาด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 เสียงนกกลางคืนร้องมาเป็นระยะนานๆจะได้ยินเสียงช้างแหวกสายลมแววขึ้นมาจากขบลึกเบื้องล่างสลับไปกับเสียงห่าหอนของหมานายตะเกียงรั้วที่จุดแขวนไว้บนปลายไม้กลางบริเวณสาดแสงเพียงสลัวรางและเปลวไฟในกองแลบเต้นอยู่ไปมาตามกระแสลมและคนไปกับเสียงแตกปะทุเบาๆของฟืนดาลินนอนกอดอกลืมตาโพรงจับอยู่ที่หลังคาผ้าพลาสติกทีุ่งขึงอยู่เตีย้ยเีย เชฐดาเอาหมวกครอบปิดหน้าลงส่วนชายยานยังนอนสูบบุหรี่แดงๆหน้าเชิงผาริมต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ชดประชากรหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราลิศได้เคยมาพักนอนอยู่ก่อนแล้วและบัดนี้คณะของฝ่ายติดตามก็ได้มาหยุดพักนอนซ้ำรอยโดยบังเอิญที่สุดโดยไม่อาจคิดคำหนึ่งได้ว่าฝ่ายที่ร่วงหน้าไปก่อนเมื่อขวปีที่แล้วมานั้น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 เมื่อมองดูกองไฟทางด้านปลายท้าอยู่คนเดียวเงียบๆขณะหนึ่งหล่อนเหลือไปเห็นชายยันลืมตามองนิ่งมาจึงฝืนยิ้มให้เพื่อนหนุ่มยันกายขึ้นนั่งด้วยเอื้อมมือไปหยิบกระติกบรรจุบรันดีเปิดจุกออกดื่มแล้วมองดูใบหน้าซีเซียวของดาลินส่งบรันดีมาให้แต่หล่อนสั่นศีรษะเป็นอะไรใบล่ไม่สบายหรือเปล่าหญิงสาวสั่นศีรษะเปล่า กังวลที่ไม่มีใครอยู่ยามกำลัง